อ่ะเดี๋ยวตั้งใจสวดมนต์กันนะระลึกบูชาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันเวลาสวดไปก็ระลึกถึงคุณของพระบรมศาสดาไปนะนะโมพุทสะภาคาวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธาสาะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมปุทัสสะน a โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมปุทัสสะ h านาปารามิ สามปานโนธานารามีสามปานโนทานาปรามัทธปามีสามปานโนเมตตาไมตรีกรุณา โมทิตาอุเปขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาสีระปารามิโนสีลาอุปาปารามิ สามปานโนสิลปารามัตตาปามีสามปานโนเมตตาไมตริกรุณาข้าพารามิ สามปันโนอิติปิโสภะคะวะเนคขัมมาปารามิสามปันโนเนคขัมมาอุปปา มิสามปันโนเนคามา p a r a m a t a ปามิสามปันโนเมตตามัตรีการุณาขาปารามิสามปันโนอิติปิโส ภาควะพันญาปารามิสัมปะโนปัญญาอุปปามีสัมปะโนปัญญาปรามัตตาปะ มิสัมปันโนเมตตาไมตริก a ุ u ṇ าขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาวิริยาปารามิ สัมปันโนเวริยาอุปปาสัมปันโนเวริยาปรามะตะปารามิสามปันโนเมตตาไมตรีกรุณา ขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาคันติปารามิสัมปันโอคันติอุปปาราม สามปันโนคันเตอุรามาธปารามิสามปันโนเมตตามัยตรีกรุณาขาปารามิสามปันโนอิติปิโสภาขวา สัจจปารามิสัมปันโนสัจอุปปาราสัมปันโนสัจจพารามัตตาปา rama สัมปันโนเมตตามัยตรีกรุณา คาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะอาทิธานาปารามิสัมปันโนอาทิธานารามิสัมปันโนอาทิธานา อารามัาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณมุติตาอุเพขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภาขวามเตตาปารามิ สามปันโนเมตตาอุปปารามิโนเมตตาปรามัตตปารามิสามปันโนเมตตาไมตรีกรุณมุติตาอุเปขาปารามิ สามปันโนอิติปิโสภะคาวาอุเปขาปารามิสามปันโนอุเปฆาอุปปารามิสามปันโนอุเปฆาปารามัทธปารามิ โนเมตตาไมตรีกร no, ุณามมทิตาอุ e, เบก parami sampanniti pisom bhagavatha sa parami sampanno tha sa upa parami สัมปันโนทาสาปปรามาธปามีสัมปันโนเมตตาไมตรีรุณาบูติตาอุเปขาปาราสัมปันโนอิติปิโสภาขวาติ พุทังสารนาคาชามีธรรมงสารนาคาชามีสังฆสารนาคาชามีนา ม, ามิอามาตุเอาต่อไปลองนั่งสงบดูนะนั่งในท่าที่สะดวกหนะึ่ง ตรึกระลึกถึงพุทธคุณกันนะลองเจริญนะตั้งใจเจริญพุทธานุสติใิการละลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระเจ้าจะนึกถึงในส่วนของพระธารบารมีเป็นต้นก็ได้จะนึกถึงส่วนของกุศลกรรมบทสิบที่พระองค์ทรงบาเพ็ญมาอย่างยาวนาน ในการประพฤติปฏิบัติในการเจริญทานศีลภาวนาเนคขัมมะปัญญาวิริยาเป็นต้นเหล่านี้นะพระพุทธเจ้านั้นเป็นบุคคลที่เสียสละอย่างยิ่งใหญ่ถ้ามองอย่างนี้เรามาระลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ใช้คำว่าอิติปิโสพควาแม่โพธเพียอย่างนั้นพระผูมิี่ยพาะเจ้าพระองค์นั้นเพราะเหตุแห่งพระทานาบรมี ศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิฐานเมตตาและเวขาบารมีเพราะเหตุแห่งพระบารมีอุ ป, ปบารมีสิบปรมัธบารมีสิบที่พระบรมศาสดา ส, ดาสั่งสมอย่างยาวไกลมา20สประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมหากรับพระบรมศาสดาทรงบอมเพนพระบารมีมาอย่างอุกฤษทุกระดับ มีฉันทาวิรยิยะจิตตาและปัญญาเป็นตัวกระตุน้นพระบารมีธรรมเหล่านั้นอย่างแรงกล้าที่จะทำให้ได้รับความสำเร็จหรือประสบความสาเร็จคือการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระคุณของพระบรมศาสดากุศลกรรมที่ทำไว้อย่างมั่นคงอย่างตั้งมั่นนั้นยึดมั่นถือมั่นในกุศลกรรมแบบไม่ถดถอย เพื่อจะทําให้ทั้งสรีระคุณของพุทธเจ้าและพระธรรมคุณคุณธรรมทั้งหลายเนะี่ยเด่นชัดทุกมุมเพื่อให้เป็นที่ตั้งของศรัทธาบุริยสติสมาธิปัญญาของสัตว์ทั้งหลายเราประกาศว่าเป็นธาตุของพระเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เรพิจารณาอย่างนี้ต้องใคร่ครวนวิจัยพิจารณาให้ทรงแท้ว่าเราจะ ปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนที่บอกว่าความตัดสู้ดีของพระพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีของพระธรรมการประพฤติปฏิบัติดีของภ ร, ริยสุขที่จะจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองเพื่อไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถามว่าจิตใจของเราเน้อมบูชาพระพุทธเจ้าอย่างนั้นจริงๆหรือไม่ฉะนั้นต้องตั้งมั่นและลึกถึงคุณ คือคำสอนพุทธเจ้าอย่างมั่นคงจิตใจต้องตั้งมั่นนะให้เห็นคุณของพระบรมศาสดาอย่างแท้จริงว่าพระศาสดานั้นมีพระคุณอย่างหาประมาณไม่ได้ถามว่าชีวิตของเราที่เราได้มาในส่วนที่เราได้มานี่เราได้อะไร เราได้คำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเราได้คำสอนของพระพุทธเจ้ามาก็คือว่าพระพุทธเจ้านั่นเองประทับในใจเราเนี่เขามาพิจารณาว่าเมื่อประทับในใจเราได้จริงๆถามว่าตอนนี้เราให้บาปอกุศลเกิดในใจเราหรือไม่ถ้าบาปเกิดในจิตใจของเราอันนี้บ่งบอกถึงว่า ศรัทธาเราน้อยเนะศรัทธาเราน้อยลงแล้วปล่อยให้บาปเกิดในใจเราเนี่ยชื่อว่าไม่เคารพพระพุทธเจ้าด้วยคนไม่เคารพพระพุทธเจ้าชื่อว่าไม่เคารพพระธรรมไม่เคารพพระสงฆ์ไม่เคารพในศีกขาสามไม่เคารพในความไม่ประมาทเป็นต้นทีนี้ถ้าคนไม่เคารพก็ไม่สามารถจะบรรลุทำตามคําสอนของพระบรมศาสดาเป็นต้นได้ ฉะนั้นตรงนี้ลองดูว่าถ้าเราจะสงบแล้วก็คิดถึงพระบารมีธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นต้นเช่นพระทานบารมีที่พระองค์สละมาเนี่ยซับทั้งหมดที่มีก็เพื่อ อ, อุปการะแกบุคคลอื่นถ้าพระองค์เกิดเป็นจกักรพรรดิปกครองโลกทั้งใบนั่นแหละโลกทั้งใบเที่องค์ก็สละถวายเป็นพุทธบูชา บริษัทบริวารทั้งหมดก็ถวายเป็นพุทธบูชาหนึ่งแล้วอวัยวะที่มีทุกชิ้นก็ถวายเป็นพุทธบูชาชีวิตก็กล้าถวายที่ให้ทั้งหมดเนี่ยนให้มาเพื่อให้ได้มาซึ่งสัมมาสัมปวียาณซึ่งวันนี้พระองค์ก็ได้แล้วซึ่งสัมมาสัมบวิยาณนั้นนั้นพิจารณาทำศรัทธาให้ตั้งมั่น ให้เห็นคุณของภาษาสดาอย่างแท้ จ, จริงรละลึกว่าพระองค์บำเพ็ญทานบา ร, รมีมาศีลเนชธรรมปัญญาวิริยะคันเตศ จ, จาริฐานเมตตาและเวขาไมา่ยังยาวไกนะลนีระลึกจุดใดเด่นให้จิตอยู่จุดนั้นเช่นถ้าทานบา ร, รมีเด่นในใจก็ระลึกทานพระทานบา ร, รมีกับรรวุฒิยาถ้าศีลเด่นก็ระลึกศีล ให้ตั้งมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นการละลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะจะเป็นปัจจัยแก่การที่ได้มาซึ่งศรัทธาคือความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระพุทธเจ้านีนะ่ในคุณของวานะธรรมและคุณของแต่ในนี้ขับเน้นที่พุทธานุสติหรือการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าการเห็นคุณพระพุทธเจ้าเนี่ย ถ้ามองถึงตัวสภาวะเนี่ยไม่ง่ายไม่ง่ายนะแต่ถ้าเบื้องต้นถ้าคิดโดยหลักโดยข้อมูลโดยทานเป็นต้นเหล่านี้ถ้าสืบค้นไปอย่างนี้ก็ก็พอได้แต่ถ้าจะสืบค้นเอาสภาวะธรรมก็ก็อาจจะหนักหน่วงนิดนึงงั้นให้ตั้งใจในการที่จะกระทาในการที่จะเลือกถึงคำสอน